สิกขาบทที่8ถามทรงบัญญัติทุกกฏแก่ภิกษุผู้ไม่เอื้อเฟือ้อมุ่งตำหนิมองดูบาทของภิกษุเหล่าอื่นในสิกขาบทที่8นั้นมีหนึ่งพระบัญญัติเกิดด้วยสมุดฐานหนึ่งสมุดฐานคือเกิดทางกายกับจิตมิใช่เกิดทางวาจา